ยังหัวค่ำอยู่เจะพาเลิกเสียดายเวลาเนี่ยภาวนาต่อยเช้าน้อยเนี่ยสองทุม่มยังไม่ขึ้งยังไม่ขึ้นเรานั่งเป็นหมู่นี่ดี บางคนชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ไปอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้หรอกทําตามใจชอบทําอะไรตามใจชอบจะนั่งภาวนาสักครึ่งชั่วโมงเดือนไม่ปรองใจแหละจะเดินสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ก็ไม่ปรองใจแหละ นั่งอยู่อย่างนี้นั่งสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังได้สองชั่วโมงก็ยังได้สามชั่วโมงก็ได้นั่งอยู่กับหมูนั่งอยู่รวมๆเนี่ยยตั้ง อ, อกตั้งใจทำมันก็มีผลปรากฏที่จิตนะตั้ง อ, อกตั้งใจทำเป็นการพยุงพยุงซึ่งกันและกัน ผู้ที่ตั้งหลักได้ก็ช่วยพยุงผู้ที่ตั้งหลักยังไม่ได้ผู้ที่ขยันก็ช่วยพยุงผู้ที่ขี้เกียจผู้ที่ขยันก็ดึงผู้ขี้เกียจผู้ขี้เกียจก็ตามผู้ขยันปรับกัน พื้เพจริตนิสัยนั้นน่ะฝึกตั้งหลักได้ยากตั้งหลักได้ยากเพราะอย่างนี้แหละยิ่งเคยคนเคยอยู่ตามสะดวกสบายอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งตั้งหลักได้ยากเพราะไปปล่อยตามสบายอะปล่อยเนื้อปล่อยใจตามสบายไม่สบายไม่ไม่อยู่ต้องอยู่แบบสบาย อยู่แบบสบายก็คือแบบยังไงก็ได้ที่มันสบายสบายไม่ชอบบังคับตัวเองแต่มันตรงกันข้ามกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรมรมทำยังไงเราจะบังคับตัวเองให้เป็นธรรมนี่มันลําบากล้วนแต่เป็นเรื่องบังคับเท่านั้นแหละพอบังคับไปแล้วก็ไปถูกกิเลสในใจของเจ้าของ มันก็เป็นการต้องฝา่าต้องฝืนต้องอดต้องทนเพราะกิเลสมาอยู่ที่ใจบังคับไปสัหน่อยก็ไปถูกกิเลสของตัวเองบังคับไปสัหน่อยก็ไปถูกกิเลสของตัวเองกิเลสของตัวเองก็คือความไม่ชอบใจนั่นแหละชอบอยู่สบายก็เหมือนอย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังนั่นแหละกิเลสในใจของเราเนี่ยเราต้องมีมันมันถึงจะออก กิเลสในใจของเรานะ่ยเราต้องบีบมันมันถึงจะออกบีบไปแล้วไปถูกกายของเราบีบไปแล้วไปถูกจิตของเรานะมันต้องกระเทือนถึงกิเลสแหละเพราะกิเลสมาอยู่ที่กายของเราอยู่ที่จิตของเราเหมือนเราต้องการจะบีบน้ําออกจากผ้านั่นแ่ะเห้ยเวลาเราซักผ้านะเดี๋ยวข้อเปรียบเทียบเรา ต้องการบีบผ้าบิดผ้าเนี่ยเพราะเราต้องการให้น้ำมันออกถ้าเราไม่บิดผ้าน้าก็ไม่ออกเราต้องการให้กิเลสออกจากกายของเราจากจิตของเราแท้จริงกิเลสมันเกิดที่จิตนะมันไม่ได้เกิดที่กายมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสมันเกิดที่จิตมันอยู่ที่จิตจิตคือผู้รู้อยู่ตรงไหนในตัวเราเราดูไปดิ ผูรู้อยู่ตรงไหนดูไปยืนเดินนั่งนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอยู่กับผู้รู้บ้างไหมผู้รู้เราอยู่ตรงไหนกิเลสมันจะอยู่มันจะอยู่ที่ผู้รู้มันเกาะอยู่ที่ผู้รู้ผู้รู้คือใจเราเนี่ยแหละความรู้สึกอยู่ตรงไหนผู้รู้อยู่ตรงนั้นแหละดูไปที่ย้อนมาที่ตัวของเราเนี่ยรู้สึกอยู่ตรงไหนผู้รู้อยู่ตรงนั้น ผู้รู้อยู่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ตรงนั้นกิเลสมันอยู่กับผู้รู้เวลากิเลสมันออกมาหากินมันออกมาหากินทางตาเพราะผู้รู้มันออกมาทางตามันออกมาทางหูเพราะผู้รู้มันออกมาทางหูมันออกมาทางจมูกเพราะผู้รู้มันออกมาทางจมูกอ่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่น เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทําให้กิเลสกําเริบเพราะอะไรเพราะกิเลสมันออกมาเจอเยือของมันมันออกมาเจอทางตาอคือมาเจอรูปมันออกมาเจอทางหูคือออกมาเจอเสียงมันออกมาเจอทางกลิน่นกิเลสมันก็กําเริบมันได้กินอาหารของมันมันก็กำเริบมันได้กินอาหารของมันมันก็กําเริบนี่กิเลสอยู่ที่ผู้รู้ กิเลสมันได้ไม่ได้อยู่ที่กายนะกิเลมอยู่ที่ใจกิเลมอยู่ที่จิตรูปร่างลักษณะหน้าตาของมันเป็นยังไงกิเลนไม่รู้รูปร่างลักษณะของมันเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ท่านบอกว่ากิเลสมันเป็นสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองหน้าตามันเป็นไงเราก็ทราบไม่ได้หน้าตามันก็เหมือนกับเราเราเนี่ยแหละหน้าตาของกิเลสนันกิเลสกิเลสะ แปล ว, ว่าความเศร้าหมองสภาพที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองท้าเรียกว่ากิเลสมันเศร้าหมองได้ยังไงสิ่งที่เศร้าหมองก็คือสิ่งที่ไม่ไม่ผุดผาดนะสิ่งที่ไม่ผุดผาดไม่ผ่องใส อ, อับอับเฉาเาเนี่ยเขาเรียกว่าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าบูดนั่นแหละคนที่หน้าเศร้าหมองนั่น ร่างกายบูดร่างกายเศร้าหมองของใช้ของสอยบูดบูดถูกที่ฝุ่นมันครอบมันคลุมมันคล้ํามันก็เศร้าหมองจิตใจของเราเศร้าหมองก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคือจิตใจมันไม่ผ่องใสทําไมมันถึงไม่ผ่องใสนะมันถึงไม่ผ่องใสเพราะกิเลสมันคลุมผู้รู้เอาไว้กิเลสมันไม่ปล่อยให้จิตใจสว่างสวายปลอดโปร่งมัน มันคลุมเอาไว้มันคลุมยังไงมันคลุมความโกรธเนี่ยความโกรธมันคลุมจิตเอาไว้ล้วดูหน้าตาของคนโกรธดูเป็นไงหน้าตามันก็บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวอันนี้กแสดงออกมาทางหน้าตาแต่ในใจนั่นแหละมันบูดในใจมันบูดมันโกรธมันขัดมันเคืองมันคุนมันหมองอยู่ข้างในนัเนี่ยคือสภาพที่ทําให้จิตเราเศร้าหมองกิเลส มันโกรธมันโลภโลภ ก, ก็เช่นเดียวกันโลภนี่ก็ตาดําตาแดงหมุนติว้วแสวงหาตาสูงตาลึกตาคมเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะโลภคำว่าโลภ ก, ก็คือต้องการอยากได้อยากได้มากความโลภความโกรธพอโลภอยากได้มากๆมีคนไปขัดคอเนี่ยโกรธแหละต้าเนี่ยตาดําตาแดงขึ้นมาพอเครียดก็เครียด พอทะเลาะก็ทะเลาะพอเถียงก็เถียงพอฆ่ากันก็ฆ่าสิ่งเหล่านี้ทําให้ใจเราเศร้าหมองนั้นแหละความเศร้าหมองของใจนั่นแหละเป็นความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์มันความแป้ะ อ, อยู่ในใจเราดูเวลาใจเรามีความทุกข์เป็นไงดูให้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เกิดขึ้นในที่ใจ เรารู้ทีว่ามันไม่สบายใจมันทุกข์ใจมันตรมใจมันทรมานใจมันเป็นยไงนั่นแหละใจเปิดใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะพิษสงของกิเลสมันแหละมันทําอ่ะถูกพิษสงมันเล่นมันเล่นงานแล้วเนี่ยกิเลสไปไหนใจของเราสภาพที่ทําให้จิตเราเศร้าหมองไม่ผ่องใสมันคุนคุนมัวมัวมองมองอยู่ข้างในน่ะไม่เป็นผ้าสุขใจเหมือนกับวัตถุสิ่งของที่มันไม่ผ่องใสมันไม่ผุดผุดผาดผ่องใส มันไม่เหมือนอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนทองที่เราขัดเหลื่อมเมาเนี่แหละมันพ่องมันใสมันเงาวับเหมือนพื้นพื้นบ้านพื้นเรือนที่เราขัดถูสะอาดสะาด้านพ่องใสจิตใจมันไม่ผ่องใสมันทุกถูกความทุกข์ถูกความอับความเฉาของกิเลสมันไปครอบไปคลุมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ชำระกิเลสชำระกิเลส กิเลสมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับจิตนั่นแหละจิตของเราก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงพยากรณ์นะจิตของคนแต่ละดวงแต่ละดวงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์แต่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาเพราะจิตเกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสเกิดขึ้นมาด้วยเป็นธาตุเคลือบธาตุแฝง มันแฝงมากับจิตมันเคลือบมากับจิตกิเลสตัวนี้นะคือจิ ต, จตมันไม่ชําระขัดเกลาตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องมันมาแบบมองๆเหมือนอย่างเพชรอย่างพลอยอย่างอะไรที่มันขุดมาทั้งหมดยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกลายังไม่ได้เจียระไนนั่นแหละมันมองๆนั่นแหละในช่างที่ฉลาดเอามาขัดเอามาเจียระไนเจียที่มันมองๆนั่นออก ให้เหลือแต่ความผ่องใสทําให้เป็นเหลี่ยมเป็นคมขึ้นมาเกิดความแวววาวอดูไปใส่ไฟนี่ก็วาวละ่ะดูเหลี่ยมหนึ่งก็เหลืองดูเหลี่ยมหนึ่งก็แดงแต่และเหลี่ยมแต่และเหลี่ยมนะ่ยจะมีสีสันแตกต่างกันในในเพชรเม็ดเดียวกันนะั่นแหละต่างสีต่างมุมทําสีทํามุมเกิดแสงแวววาว ถ้าขัดแล้วมันจะเป็นแวววาวนั่นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราขัดกิเลสออกได้จิตใจของเราก็จะแวววาวมันแวววาวมันอัศจรรย์มันผุดมันผ่องมันแวววาวมันอัศจรรย์มันมีความสุขอนอกจากนั้นแล้วก็มีความรู้วิเศษวิโสอะไรอย่างอื่นแตกแปลกแยกไปอีกมากมายเยอะแยะเหมือนอย่างจิตของพระอริยเจ้าที่ท่านชำระท่านขัดกล่าวได้ภาษาริบุตรเนี้ยอภิน ญ, ญาหก เนี่ราโมกขลานะนี่มีริดมีเดชเหาะเหินเดินดำดินบินบนได้จิตของพระพุทธเจ้าอย่างนี้น่ะสัพพัญยุตยานคิดดูสิความวิเศษวิโสความแปลกประาดอัศจรรย์สัพพัญยุตยานสัพพยุตยานอ่าสัพยยสพยุตยานแปล ว, ว่ายานอย่างรู้สารพัดสัพพยุตยาน พีงแต่กำหนดจิตไปใส่อะไรเนี่ยรู้ซึ้มกำหนดไปใส่รู้ซึ้มกำหนดไปใส่รู้หมดกำหนดกำหนดไปใส่รู้หมดนี่ประสัพพันยุตยานรู้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีขีดขั้นจํากัดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัพพะสัพพะแ ป, ปลว่าทั้งปวงสัพพยุตยานสัพพยุตยานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัพพยุตยา น, นี้ก็สําเร็จไปจากอาสะวะขยญาเ น, นี่ยแหละ เพราะจิตบรรลุอาสะวะอาสะวะกิเลสหมดจากขันธสันดานแล้วก็สรรพยุติญาณก็เกิดขึ้นพร้อมอันนี้เป็นวิสัยของพระาศาสดาเท่านั้นแต่พระสาวกนั้นเกิดญาณบางอย่างมีบางอย่างได้มีได้เป็นได้แต่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระาศาสดาพระาศาสดารู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งกรรมของสัตว์อ ถ้าจะให้พระองค์ดูเหมือนอย่างพวกเรานั่งอยู่บนศาลาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยให้พระองค์มาย้อนดูเนี่ยโอ้ยเบื้องหลังของคนนั้นเป็นงัานชาตินั้นเป็นอยงานชาตินั้นเป็นงานชาตินั้นเป็นงานทํากรรมนั้นนั้นมาถึงได้มาเกิดเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นล้ได้มาเกิดเป็นนี้ตายจากนี้แล้วจะไปเกิดเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นพระองค์ดูทะลุผุปร่งไปหมดสัพยุตยานแต่พระสาวกบางองค์ก็ดูได้เป็นบางสิ่งบางอย่าง อย่างภาษาราบุตรพระโมคคัลลานะนี่ครับได้ไม่ทั้งหมดแต่ได้บางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนไม่ทั้งหมดเหมือนพระพุทธเจ้าจะมีทิ์มีเดชเช่นอย่างพระโมคคัลลานะสามารถไปบนสวรรค์ได้ไปเห็นเทวบุตรเทวดาอยู่บนนั้นบนนั้นบนนั้นไปถามเขาเป็นลูกใครเป็นหลานใครอยู่บ้านไหนเมืองไหนทําบุญด้วยสิ่งใดถึงได้มาได้ประสาทศได้มาทิพยสมบัติ ได้วิมานบนสวรรค์อยู่เย็นเป็นสุขสวยของทิพย์อยู่อืทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่กับความสุขสุขารมสุขขารมไม่มีอารมณ์อะไรที่จะไปทําให้จิตใจเศร้าหมองเอามาเล่าให้มนุษย์ฟังไปน ร, รกอ่าชั้นต่างๆของน ร, รกเอามาเล่าให้มนุษย์ฟังมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความเกรงกลัวบาป เนีกน็ละเว้นจากอกุศลแล้วมาประกอบกองกอ ง, กอ ง, กองบุญกองกุศลทําให้คนเริ่มใสศรัทธาพระสารีบุตรพระโมคคัลลนะพราะฉะ น, นพระโมคคัลลานะถึงถูกถึงถูกเดรัถถิฆ่าเพราะอะไรเพราะสามารถทําฆ่าทําคะแนนนิยมให้กับพระพุทธศาสนานเป็นอัครส า, าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาพระโมคคัลลานะถูก ถูกฆ่าโดนฆ่าด้วยวิบากกรรมเก่าอีกถ้าไม่มีวิบากกรรมเก่าก็จะไม่โดนอะฮอัตภาพร่างกายของท่านเป็นผลิตผลของกรรมเก่าทีนี้ท่านได้อัตภาพเป็นพระอรหันต์ก็มาได้ใหม่อได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ใหม่ได้ในอัตภาพนี้แต่ว่าได้ด้วยอาศัยกายนี้เพราะกายนี้เกิดขึ้นมาเป็นลูกเศรษฐีในเมืองนาลันทาน โกลิตตโกริตโกริตเนี่ยอโกริตตโมคันลีลูกของโมคันลีโมคันลานะเนี่ยเป็นนายบ้านโมคันลีเป็นโมคันลีบุตรบุตรของโมคันลีเป็นนายบ้านเป็นลูกเศรษฐีนายบ้านมีบริษัทมีบริวารมากมายภาษาทีบุตรก็เช่นเดียวกันเป็นลูกของนายบ้านพวกนี้เป็นลูกเศรษฐีเท่านั้นแหละ ตอนนี้สมัยเป็นหนุ่มก็ไปเที่ยวดูการละเล่นไปดูการละเล่นเล่นระบำรำฟ้ออะไรต่างๆเหมือนอย่างพวกหนุ่มๆก็เที่ยวดูอย่างสมัยทุกวันนี่แหละไปเที่ยวดูทุกวันทุกวันทุกวันมีความสุขกลับไปเที่ยวดูมหาดศพนั่นแหละเที่ยวดูไปดูไปดูไปดูไปมีวันหนึ่งก่อนที่จะเลิกก็มารำพึงเออเกิดความคิดว่า อ, อวันนี้เหมือนดูหอยรศไม่เป็นผ้าสุกเลยไม่มีความสุขเลยไม่มีความยิ้มแ ย, มย้มแจ่มใสาตาก็ดูไปแตใจก็น่าจะคิดไปเรื่องอื่นอย่างอื่นน่าเลยทักกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ดูไม่เห็นมีรสชาติไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยอ๋อองหนึ่งก็มาคิดว่าองหนึ่งก็เอ๊ะเรามาลงมาดูอะไรกับพวกนี้พวกนี้ไม่กี่วันมันก็ตายแล้วก็เหมือนอย่างเรานี่แหละอ่าอายุไม่ถึงร้อยปีก็พากันตายกันหมดแล้วแหละ พวกระ บ, บำรัดฟ้อนอะไรต่างๆอก็ดูคนดูคนด้วยกันนะไปแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ไปฟ้อนไปรำแบบอะไรก็คนดูคนก็มีแค่นั้นเองเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งมันแก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปแล้วเรามาเที่ยวแสวงหามาดูอยู่อย่างนี้อยู่เลยอ๋อก็เลยมาปรึกษาหารือกันแล้วโอ้ยพวกเราไปหาออกไปอยู่ตามสำนักอาจารย์ต่างๆเถอะเลยพากันไปอยู่สำนักอาจารย์สัญชัยสัญชัย ปกสันชัยพวกนี้เป็นปริพายชกนะเป็นปริพายชกคําว่าปริพายชกนี่เขาเขาบีเขาเรียนเขาเรียนสหัสสวัทศาสสวัทคือปัญหาพันข้ อ, อวัทวัทเป็นพันเขาเขาไปเรียนกันไปเรียนไปเรียนมีความรู้มีความแตกฉานแ้วไปโต้วัทกันโอ้ยโตวัทกัน เจอหน้ากันกันเอาชนะกันด้วยวาทะคําว่าวาทะนี่มันก็ต้องออกมาจากสติออกออกมาจากปัญญาแต่ว่าวาทะต่างๆเหล่านั้นมันเป็นบทเป็นสูตรเหมือนอย่างเราสวดสูตรสวดลายต่างๆนั่นแหละของคนดั้งเดิมเขาตั้งเอาไว้พวกนี้เรียนสหัสสวาทะสหัสสะปแปลว่าพันวาทะวาทะเป็นพันพว น, นี้ไปเรียนจบไปเรียนจบแล้วไปอยู่กับอาจารย์สันชัยไปอยู่กับอาจารย์สันชัยเรียนจนจบภายในเวลาไม่นาน ก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้เป็นที่พอใจอะไรคุณธรรมต่างๆในจิตในใจไม่เป็นที่พอใจตะเลยนัดกันเอ๊สหายพวกเราอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องออกแล้วหละเลยนัดกันเลยนัดกันถ้าใครได้เจอที่ดีได้อาจได้ทำอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไรเลยให้บอกกันก็มีวันหนึ่งนั่นแหละภาษารีบุตรได้ไปเพราะพระอัศชิยกำลังบิณฑบาตนั่นนะ พระอาจิกําลังบินทบาทเห็นกิ ร, ยริยามารยาทเอส ม, มณะส ม, มณะอง์นี้นี่มีกิริยาท่าทางหน้าคารพหน้าเลื่อมใสไม่ว่าจะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะถอยหลังไม่ว่าจะเลี้ยวจะโค้งจะอะไรแต่ละก็น่ารักสวยงามไปหมดไม่เหมือนส ม, มณะไม่เหมือนส ม, มณะอื่ น, นพอดีไปเห็นท่านกําลังเดินบินทบาทพอดีก็เลยเดินรอมๆตามหลังไปจะไปทักไปท้วงไปถามอะไรตอนนั้นก็ไม่เหมาะ ตามหลังไปนี่พอท่านบินฑบาตไปสุสานแล้วท่านจะนั่งขบนั่งฉันนั่งอะไรก็ไปไปเอาตังเอาตังของปริพายชกเนี่ยให้นั่งอเอาผ้านั้นปูให้นั่งเอานี้ปูให้นั่งเอาน้าของปริภายชกเนี่ยตังเอามาตั้งถวายท่านให้ท่านได้ฉันเสร็จแล้วได้ช่องก็เลยถามว่าท่านเป็น ท่านเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านสอนอยังไงท่านชอบใจธรรมะของใครใครเป็นศาสดาของท่านพระาศชีิก็ตอบว่าเราก็เป็นพระใหม่นะไม่มีความรมู้ไม่มีอะไรมากก็เลยเทศย่อยๆทําเราได้เกิดแต่เหตุทําเราได้เกิดแต่เหตุรตหตพระศาสดาตรัสความเกิดเหตุแห่งเหตุของทำเหล่านั้นและความดับ เหตุเกิดขึ้นของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นนี่พระสิชีนะแสดงธรรมกับพระสาริบุตรพระราษาริบุตรได้ฟังแค่นี้่เพราะมันพูดถึงหลักถึงเป้าที่สําคัญคือหลักของเหตุของผลที่แท้จริงพอเทศจบปั๊บภาษาาษาิบุตรได้เป็นพระสวสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมพอได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นละโอ้ระลึกได้ทันทีโออยากกราบพระพุทธเจ้าพระศาสดาเราอยู่ที่ที่ไหนประทับที่ไหนจะไปกราบพระศาสดา แต่ขอไปไปหาเพื่อนก่อนเพราะมีเพื่อนคือพระโมคคันลนะก็เลยเอาอันนี้แหละไ ป, ไปเล่าให้พระโมคคันลนัฟังไปเทศพระโมคคันลนะฟังพระโมคคันลนะก็ได้เป็นพระโสดาบันอีกเนี่ยพวกนี้ปัญญาฉลาดแหลมคมเสร็จแล้วก็เลยไปลาไปลาสันชัยไปลาสันชัยไปพ่อพระาศาสดาด้วยกันยังนึกยังนึก นี่เราเห็นภาษาที่บุญอ่ะอาารย์เป็นเป็นผู้กตัญญูรู้คุณพภาษารีบุตญยกย่องว่าเป็นผู้กตัญญูรู้คุณตัวเองได้บรรลุคุณธรรมแล้วโอ้ยเป็นที่พึงใจเป็นที่พอใจแล้วระลึกถึงอาจารย์อยากพาอาจารย์ไปด้วยเพราะอาจารย์ก็พาสั่งสอนลูกศิษย์ก็สั่งสอนอยู่แค่นี้แหละเราก็เรียนจบมาแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่แค่นี้แค่นี้เราอยากพาอาจารย์ไปกราบพระศาสดาด้วยอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ภูมิอาจภูมิธรรมเหมือนตัวเองด้วย อาจารย์เขาก็ถามว่าคนในโลกนี้คนโง่มากหรือคนโง่มากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่าในโลกนี้สารีบุตรโมคลานะก็ตอบว่าคนโง่คนโง่มากในโลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดเออยังไงอย่างนั้นพวกท่านก็ไปหาพระสามมาณครดมซ ะ, ะไปหาคนฉลาดซะเราจะอยู่กับพวกโง่โง่งนี่แหละเราจะอยู่กับพวกโง่ี่สัญชัยสัญชัย เสร็จแล้วพอเวลาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปเนี่ลูกศิษย์ลูกหาในสำนักนั้นแต่ไปเกือบหมดและ้ะไปเกือบหมดน่ะพระสัญชัยนี่ไอ้สัญชัยนี่กากเลือดเลยแหละกากเลือดเสียอกเสียใจตามลูกศิษย์หนีไปหมดและอ่ากากเลือดเลยล ะ, ล, ล, ย ล, ะลูกศิษย์หนีตามพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปหมดแต่หนในที่สุดอ่ะในที่สุดก็กลับคืนบ้างอ่าให้กลับคืนบ้าง ไปเฉพาะลูกศิษย์ที่ติดตามท่าน่ะมีบริษัทบริวารคนละ 250-250 ห 250, สองคนเนี่ยรวมเป็น500ประสาริบุตรยห้ 250, พระโมคคัลลนะ250อาที่เหลือนอกนั้นก็อยู่กับสัญชัยมีเรื่องของไปศึกษาสัญชัยปริภาชกก็โทษจากการที่ไปเห็นโทษในการดูมหระศพน่อันนี้คือไปดูมหระศพ แล้วก็เกิดความนึกความคิดว่าเออคนเหล่านี้นี่มีชีวิตไม่ถึงร้อยปีเดียวก็ตายกันหมดพวกเรามาหลองงมงายเพลินดูอะไรอย่างนี้ไม่เห็นได้ประโยชน์ได้อะไรก็เลยไปแสวงหาก็เลยได้ไปฟังธรรมจากพระอิชิชิได้ดวงตาเห็นธรรมนะถ้าเราจะถามว่าพระโมคคัลลานะท่านได้เป็นพระโสดาบันเพราะท่านฟังธรรมจากใครเนี่ยเราก็ตอบได้ไหมภาราพุทธนะ ก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านได้ฟังธรรมจากใครเนี่ยตอบได้ไหมไปหาตอบกันหน้าไปถามกันนะไปตอบกันนะสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านไม่ได้ฟังจากพุทธเจ้านาได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยทั้งสององค์ไม่ได้ฟังจากพุทธเจ้าท่านได้ฟังธรรมจากใครและองค์นั้นเทศได้ฟังว่ายังไงท่านถึงได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือจิตใจเข้าถึงหลัก เข้าถึงแก่นแท้ของสัจจของความจริงที่มีอยู่ในโลกเข้าถึงหลักสัจธรรมเข้าถึงหลักของอริยสัจทั้งสี่เข้าถึงหลักสัจธรรมเข้าถึงเหตุถึงผลอย่างแท้จริงเออใช่ได้ปัญญาฉุกคิดขึ้นว่าโอ้ปัญญาได้ปัญญาเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยทั้งนั้นนิ่ภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะ ด้วยโทษของการพิจารณาเห็นโทษในการดูมหระศพแล้วก็เป็นเหตุได้ได้ทำจากนั้นก็ไปฟ้ศาพระศาสดารุติเจ้าก็ประทับอยู่ที่ราชเครือประทับอยู่ที่เวลุวันวัดเวลุวันวัดแรกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายในขณะในขณะที่กําลังเดินพาบริษัทบริวารไปยังมัทนาบวชรุติเจ้าก็เลยชี้บ อ, บบอก พระทั้งหลายวันนั้นอ克拉สาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของเราเดินมาแล้ว น, ะนั่นสรีบุตรโมคลานะเดินมาแล้วตอนนั้นยังไม่บวชเดินไปเข้ า, าพระริเจ้าพระองค์ก็บอกแล้วบอกหมู่ไว้ก่อนนั่นนี่แหละสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของเราไปก็ไปก็ไปขอบวชนะไปขอบวชหลังจากบวชเสร็จแล้วอพระโมคลานะนไปบปําเพ็ญธรรมที่กาลวาลมุตคาม บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวั น, น, วนพระษารีบุตรภาสารีบุต ร, รเนี่ยหลังจากบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในสิบห้าวันสิบห้าวันซึ่งหลานของตัวเอง เป็นปริพายชกงกันนะหลานของตัวเองหลานของพภาษาดิบุญเป็นปริพายชกงกันเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ไปถามถามพระศาสดาพระศาสดาก็เลยแสดงธรรมให้ฟังข้าแต่พระสมณโคดมข้าพเจ้าเห็นว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรแก่เราเราพอใจหมด ที่ไม่ควรแก่เราเราไม่พอใจหมดเนี่ยกราบทูลเชิงถามกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลเชิงถามปัญหาในใจของเจ้าของสิ่งที่ไม่ควรแก่ข้าพเจใ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดสิ่งที่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจหมดไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรไม่รู้รู้ทีเจ้าก็เลยถามอย่างงั้นเธอเธอก็เธอก็ควรไม่สนใจกับสิ่งกับความคิดอนานาคตของเธอด้วย งั้นเถอก็ควรไ ม, ครไม่ควรไม่พอใจกับความคิดอันนั้นของเถอด้วยพระสารีบุตรนั่งเอาพัดเนี่ยพัดพัดร้อนเนี่ยพัดให้เย็นพัดให้พระศัสดานะพระสารีบุตรได้ฟังพระสารีบุตรได้ได้บรรลุธรรมเป็นพระเป็นพระอระหันต์แต่หลานได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยพระสารีบุตรพระมกคลลนะ จากนั้นแล้วก็ตั้งมาตั้งไว้ในตําแหน่งอัคคะเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องขวาภาษาลิบุตรเลิศทางปัญญาสามารถมองเห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยเป็นพันๆอย่างในขณะเดียวกันบรรลุธรรมปุ๊บเดียวเนี่ยรู้ช่องรู้ทางรู้บายรู้วิธีเป็นพันๆอย่างภาษาลิบุตรพันในเป็นพันในภาษาริบุตรสลาดเลิศเลิศความพิสูจน์ทั้งหลายทางปัญญา เปลเรนี่เป็นตำแหน่งเอตเอตทักฆะเอตทักฆะเอตทักฆะเอตทักฆะเลิเอเลิอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเลิศทางปัญญาเอตทัะทางปัญญาพระคละเลิศทางมีริมีริเอตทัะทางมีริษารบุตร เหมือนแม่บังเกิดพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนแม่บังเกิดเด็กทารกพระพระโมคคลานะเนี่ยเหมือนพี่เลี้ยงของทารกเนี่ยพระโมคคลลานะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ของทารกเป็นผู้บังเกิดทารกพระโมคคลานะเนี่ยเหมือนพี่เลี้ยงของทารกพี่เลี้ยงนางนมเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ป้อนน้ำนมกับทารก พระภาษาริบุตรสามารถเทศให้วิจิตพิสดารจนคนเลื่อมใสศรัทธาทำให้ออกบวชเหมือนกับว่าเป็นเป็นแม่บังเกิดทารกเหมือนกับเป็นแม่พระโมคคลานะเนี่ยเอาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานั่นล่ะไปกล่อมไปก ล, ไปกลาไปเทศไปอะไรแต่ะได้บรรลุธรรมก็เหมือนอย่างคราวหนึ่งนั่นแหละพระพระไม่ มียังมีบวชมาใหม่ๆยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะ่ะหลงเพลินหลงไปกับพระเทวทัศนั่นน่ะห้าร้อยน่ะหลงไปกับพระเทวทัศน่ะพระเทวทัศน์แยกสงนะ่ะแยกไปแล้วก็สงใหม่ๆที่ยังไม่มีความรู้อะไรนะ่ะตามไปห้าร้อยไปพระเทวทัศน์ก็ไปทําตั้งตนเป็นอาจารย์สอนนี่นั่นนะ สอไปสอมาสอนม า, สอ น, มาสอนไปรูปเจ้าก็เลยให้พระสาวีบุตรพโมคขาลานะไปตามไปตามพระใหม่ต่างๆเหล่านั้น่กลับมาคืนไปก็เห็นเทวทัตเขาตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนนั่งสอนลูกศิษย์อยูน่นะสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปอา้าวเห็นพระสาวีบุตรพรโมคขาลานะไปนั่นเห็นไหมเห็นไหมพระสาวะอคคสาวะเบื้องซ้ายเบื้องขวายังมาตามเรายังมายังมาเข้าข้างเราเนั่นนะชี้บอกลูกน้องเขาพระเทวทัตเนี่ยทีนี้พอไป ก็เลยให้พระสารีบุตรให้รามโอคลาน่าเนี่ยอ่าแสดงทําให้ฟังเนี่ยอย่าพักผ่อนพัก cool ผ ok ่อนเหมือนพระพุทธเจ้าเน่ยทวทัตเขาจะพักผ่อนเหมือนพระพุทธเจ้ามันปูตุชนเนี่ยพอเอ็นหลังไปสัหน่อยละครอกครอกพระสารีบุตรรามโอคลานะาท่านก็เทสให้พระต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยฟังได้ได้บรรลุธรรมเนี่ยพากันหอะกลับไปเาพระพุทธเจ้าหมดนะพระเทวทัตตอนหลังมาก็ลูกน้องก็เลยปลุกให้ตื่นขึ้น พระหลายพระโกกาลิกกับพระอีกไม่กี่องค์ะที่อยู่กับพระเทวทัตนะนอกนั้นกลับไปหมดฟังธรรมบรรลุธรรมหมดก็ปุถุชนนะหลับว่าจะหลับว่าจะตะแคงขวาเหมือนผู้ติดเจ้ามันไม่ตะแคงธรรมดาหลับคลอกเลยะภาษาทีบุทองมโหฬารนะท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเลิศทางปัญญาองค์หนึ่งเลิศทางบิดท่านแสดงทําให้ฟังพวกนั้นก็บรรลุธรรมตามๆกันได้ริ ได้รทธได้เดือกระหอกกลับไปหาพระริเจ้าหมดลูกศิษย์เขาจับยกขึ้นมาหัวข่าใสนี่แหละนี่แหละเราบอกแล้วอยากคบกับพระสารีบุตรพระมกขลานะทึ่งทึ่งเป็นคนลามก่ะแ น, น่ลูกศิษย์เขาได้เนะี่ยลูกศิษย์พระเทวทัตเนี่ยแล้วยกเอาอเอาหัวเข่าเนี่ยใส่หน้าอกของของเทวทัตจนกระอักเลือดจนเป็นเลือดจนจนเจ็บจนป่วยอ่ะ จากที่ลูกศิษย์ไปทาดุลอย่างงั้นนะ่ะตอนหลังมาก็เลยระลึกได้ระลึกได้เห็นโทษก็จะไปขอเข้ามาโทษพระพุทธเจ้ามีระเทวทัตมีพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็เลยไปกราบทูลพระองค์พระองค์องคบอกถึงยังไงเทวทัตก็ยังก็ไม่เห็นหน้าเราถึงยังไงก็มาไม่ถึงเราถึงยังไงก็มาไม่ถึงเราที่นี้ลูกศิษย์ก็ขอร้องให้ลูกศิษย์ มาระลึกว่าเออพระส ม, มณะโคดมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่เรามีแต่เรารุกรานพยาบาทจองเวีกับท่านฝ่ายเดียวท่านไม่เคยท่านไม่เคยคิดตอบโต้ อ, อะไรกับเราสักครั้งเลยคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเลยเห็นมอ ง, มองเห็นความดีของพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเป็นอันตรภานหาเรื่องหาราวใส่พระองคง์ทุกครั้งทุกครั้งพระองค์ก็ไม่เคยตอบโต้ อ, อย่างใดกับเรา มีแต่เราฝ่ายหาเรื่องะมาระลึกได้ว่าเจ้าของผิดอจะไปกราบขอกรมาโทษพอพระไปกราบทูลพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกถึงยังไงก็ไม่ไม่พบเราไม่เจอเราไม่เจอเราก็หามไปพระสาวกเขาบอกว่ามาถึงนี้พระเทวทัตมาถึงนี้แล้วพระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วพระเทวทัตสาวกพามาถึงนั่นแล้วมาถึงนั้นแล้วถึงมายังไงก็ไม่ถึงเรามายังไงก็ไม่เห็นเรามายัไก็ไม่พบเรา พอไปตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่พระเจดวันน ไ, ไปไปไปไปถึงประตูประตูหน้าประตูจะเข้าเข้าวัดเจดวันก็เลยเอาพระเทวทัตวางลงหามมาทั้งตะแคร่พอหามลงแล้วลูกศิษย์ก็พากันลงไปที่สะาไปลูบเนื้อลูกตัวล้างมือล้างหน้าล้างตาล้างอะไรนะพระเทวทัตก็เลยหย่อนเท้าลงมาถึงแผ่นดินแผ่นดินก็โูกลงไปโูกลงไป่ะ ลูกศิษย์เห็นก็วิ่งตาตื่นมาเกือบจมแผ่นดินลงไปแล้วก็เลยมาระลึกได้ระลึกได้เออเราจะมาขอขรมาโทษท่านยังไม่ทันได้ขมขอกมายังไม่ทันได้ขอขอมาโทษแผ่นดินสุกระลึกระลึกยอมรับผิดทั้งหมดแล้วก็ระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกยอมกลับใจร้อเอร์เซน่ะ เอาคางเอาคางกันไกลเจ้าของเนี่ยดูไปเกือบหมดแล้วแผ่นดินสูบไปเกือบหมดเหลือแค่คอเนี่ยเอาคางกันไกลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบูชาลําดับนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่พระเชียวทวันท่านก็ดูตลอดนั่นแหละท่านผู้มีสรรพยุติยานหูทิตาทิพย์ดูเห็นตลอดเหมือนชัดเจนกว่าเราดูโดยตาโดยหูเราธรรมดาพระ อ, องค์โอ้ เธอก็ไม่เสียเปล่าเธอก็มาคบเรามาเกี่ยวข้องกับเราเธอก็ไม่เสียเปล่าน ะ, ะจากนี้ไปเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับเธอจะได้บรรลุเป็นพระปัเจ ก, กพุทธะชื่ออัติสาระอัติสาระอัติสาระบางทีบางคนเพราว่าอัติสระอัติสระแท้จริงอัติสาร ะ, าร ะ, าราระคือกระดูกเป็นสาระยกคางกันไกลที่เป็นกระดูกในถวายพระพุทธเจ้าอัติสาระ จากนั้นแล้วก็แผ่นดินก็สูบลงไปแล้วสูบลงไปสู่เวจี v G. เพราะอะไรเพราะอนันตรยกรรมนี่มันหนักหนักหนาสาหาัสจนแผ่นดินทานไม่ไหวแผ่นดินทานไม่ไหวมันจมลงไปในแผ่นดินคือแผ่นดินสูกแผ่นดินสูกตายพระเทวทัตพระเทวทัตกับภาษาบุตรก็มีความเกี่ยวข้องกันนี้พระเทวทัตนี่เป็นเจ้าชาย บวชพร้อมกับอาน o น์บวชพร้อมกับมหามหานามะบวชพร้อมกับพัทธิยะมหานามะอาน o n อ่าภคุเนี่ยพวกนี้นเจ้าชายเท่านั้นแหละแล้วก็ภคุแล้วก็เทวทัตอืมแล้วก็รูปนันธานอ่นี่นันทะอะ่นันทะอืม บวชพร้อมบวชพร้อมกันตอนนั้นอะ่ะเจ็ดองกับอุบาลีอุบาลีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายเป็นช่างกระระบกกะบกระระบบเป็นช่างตัดตัดผมประจำราชสำนักทีนพอเวลาไปบวชเขาก็เลยให้อุบาลีเนี่บวชก่อนอให้อุบาลีบวชก่อนเพื่อเพื่อที่จะได้ทําสามีจีกัม ไ, มได้กราบได้ไหว้ได้อะไรไม่งั้นพวกสากยะนี่ถือเนื้อถือตัวมาก อบวชพร้อมกันพระอา น, นุ์ก็บวชพร้อมกันพระอา น, นุ์พระมหานามะพระอนุรุทธะพระพัทิยะพระอา น, นุ์พระกิมพิละพระอุบาลีพระเทวทัตนี่บวชพร้อมกันเนบวชออกบวชพร้อมกันพบเจ้าชายทั้งหมดออกบวชพร้อมกัน แต่ทั้งหมดนั้นอนอกนั้นเขาได้เปลี่ยนพระราหนหมดมีคนเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนคือพระเทวทัตเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนเพราะบวชไปแล้วก็ไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าไปยากปกครองสงฆ์การตั้งใจบาเพ็ญเพียรภาวนาก็ได้ฌาน <c oughs> ได้รูปฌปานได้ฌานโลกีสามารถมีฤทธิ์มีเดชได้ เช่นอย่างสมัยที่ฝักฝ่ายเพื่อที่จะเป็นใหญ่นั่นน ะ, ะเพราะมาลําพึงว่าเออหมู่เพื่อนที่บวชพร้อมกับเราเนี่ยคนนั้นก็เป็นคนรุ่นน้องเราคนนี้ก็เป็นคนรุ่นน้องเราพวก อ, อนนลเอยพวกมหานามะพวกพัติยะพวกอนุรุธทธะอะไรเนี่ยพวกเจ้าชายเราก็เจ้าชายคนหนึ่งเหมือนกันไม่เห็นมีใครมาไปมาหาสู่เราไม่เห็นมีใครเคารพนับถือเราก็เลยเลยเกิด เกิดความคิดไม่ดีคิดอิจฉาทิษยาหมู่เนี่ยก็เลยหาคบคนเพื่อที่จะได้มีฤทธิ์มีอํานาจก็เลยมองเห็นมองเห็นว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นเด็กอเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสนั่นแหละแต่ยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยเอาวิธีนี้แหละไปถ้าเผื่อไอ้เจ้าพระเจ้าพระเาอาชาติาาาาศัตรูเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาแล้วเราจะได้มีกําลัง ไปแล้วก็จะบอกให้พระเจ้าอาชาศัตรูนี่ปร ong พระชนของพระเจ้าพิมพิสารตัวเขาเองนี่เขาจะปล ong ระชนของผู้ติเจ้าเทวทัตนะเทวทัตนี่แอบปล ong พระชนผู้ติเจ้าทั้งหลายครั้งไม่สําเร็จนะจ้างให้พวกนายขมังธนูไปฆ่าก็แล้วอนะจ้างให้ช้างนาลาคิริงไปขวางทางเพื่อทําลายก็แล้วอืกลิ้ง ก้อนหินลองจากภูเขาก็แล้วเสร็จแล้วก็แยกสงอีกอแล้วก็ขอวัตถุอะไรอีกห้าอย่างอีกไม่สำเร็จสักอย่างเสีย อ, อกเสียใจมากก็เลยไปคบกับไปคบกับ อ, อาชาติศัตรูก็นี่แหละทำเป็นงูพันหัวพันมือพันตีนพันลายไปเนยอาชาติศัตรูเห็นกลัวเกรงกลัวมากๆเลยอยา ก, กลัวเลย เ, ลยเรา เราเองเทวทัตนี่ยเรามาดีไม่ใช่มาร้ายเรามาเพื่อที่จะช่วยพระองค์อมืมาเพื่อที่ช่วยพระองค์ไม่ต้องกลัวเพื่อที่ช่วยพระองค์จะช่วยอะไรเราเดี๋ยวถึงการถึงเวลาจะบอกโน่นเดจากนั้นแล้วก็เริ่มใสศรัทธาแหละเลเื่มไสศรัทธาพระเทวทัตแหละเลีเ้ยงเลี้ยงพระเทวทัตวันละห้าร้อยสำราบแหละท่นนี้หลังไปไหลไปแหละลาบส ก, การะเกิดขึ้นแก่พระ ath ath เทวทัตแหละตอนนั้น มีแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้อย่เท ว, วทัตในที่สุดว่าเอพระองค์เนี่ยถึงแม้ว่าพระอิศวีดาให้พระองค์ปกครองครองก็จริงอยู่แต่พระอิศวีดาเนี่ยอายุอายุยังน้อยอยู่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เมื่อไหร่พระองค์จะได้เป็นพระเจ้าเป็นดินเต็มตัวสักทีหนึ่งอื เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ให้คำจัดซะจะได้ขึ้นเป็นมีอํานาจเบ็ดเสร็จเต็มที่เราก็จะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อจะปกครองสงฆ์พุนเดเขาไปหารืองกันในที่สุพระเจ้าพิมในอาชาสัตรูก็เลยจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังจับพระเจ้าพิมพิสารจับพ่อไปขังจับพ่อไปขังพระเจ้าพิมพิสานท่านท่านฟังธรรมท่านได้เป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารพอจับท่านไปขัง จับท่านไปขังท่านก็เดินยังกรมที่แร ก, กเอาอาหารเอาไปเอาอาหารไปเสวยที่แรกเอาอาหารไปเสวยท่านก็มีกําลังวังชามีอะไรอยู่ได้ตอนหลังมาก็เห็นโอ้นานตายเหลือเกินไม่ไม่ให้เอาอาหารเข้าไปแหละพระองค์ก็มีชีวิตอยู่ด้วยการเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถามพอนานสันหน่อยก็ถามว่าพระพระบิดามีชีวิตอยู่ได้ยังไงว่าเห็นเดินไปเดินมานั่งภาวนาอยู่นั่นแหละ แล้วก็เลยให้ทหารไปปาดปาดเท้าไปปาดพระบาทเนี่ยเอามีดไปปาดตีนแล้วเอาเกลือทาถอท้อลองดูที่เอามีดมีดไปปาดตีนแล้วเอาเกลือทาเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการให้ท่านเดินอ๋อท่านมีชีวิตได้โดยการเดินก็ไปปาดตีนไม่ให้ท่านเดิน่ะปาดพระบาดไม่ให้ท่านเดินท่านก็เดินไม่ได้แล้วทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งปวดทั้งในที่สุดพระองค์ก็ตายสวรรคตนะ สวรรคตในในห้องขังนั่นแหละนี่ลูกตัวเองแท้ๆเนี่ยหาเรื่องทำจนพ่อตายนยในขณะเดียวกันเนี่ยมเหสีก็ออกลูกพอดีอพระาชร์รประสูติพอดีอมหาเลยจะไปกราบพื้เอ๊จะกลับจะกราบทูลเรื่องอะไรก่อนนะเรื่องลูกอ่อนหรือเราพ่อตายก่อน ก็เลยไปกราบทูลเรื่องลูกออกก่อนโอ้ดีอกดีใจได้มีพระราชโอรสคนแรกดีอกดีใจชาชาศัตรูเด้มีลูกชายคนแรกพอหลังจากนั้นเขาก็เล่าว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ได้สวรรคตแล้วอย่างนี่โอ้ระลึกได้เลยทีนี้โอ้โอ้เราได้ลูกคนแรกเราดีอกดีใจขนาดนี้แล้วพ่อเรา่ะ ตอนได้เราพ่อเราดีใจเหมือนเรานี่โอ้เลยเสียใจแหละมาทรมานพ่อจนตายเนี่นะทรมานพ่อจนตายปกติต้องเอาเวจีแหละพระเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูปกติจะต้องลงอนันรกขั้นเอเวจีนั่นแหละแต่พอหลังจากพระเจ้าพิมพิสารต า, าหลังจากปกครองเต็มรูปแบบแล้วก็ตอนหลังมาก็ได้ไ ด, ได้อุปถมัมอุปถัมพระสง์ หลังจากพระรุติเจ้าท่านปริพาน์ไปได้สามเดือนพระสงฆ์ทาสังคยาที่ภูเขาที่รรมสัสตตะบานัคโหหามีพรายาชาติตศัตรูเนี่ยเป็นอุปธรรมประทาพระสงฆ์ทาสังคายาร้อยกรองประธรรมวินยัยเพลินก็โอ้ยเราเนี่ย โดยเหตุที่เราครบคนไม่ดีคือพระเทวทัตเนี่ยทําให้เราต้องฆ่าพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นโง่เสียอกเสียใจตามหลังมาตอนหลังมาก็เลยพยายามพยายามทำบุญพยายามให้ทานพยายามทําทุกอย่างทําดีคืนมาว่างั้นเถ อ, อะนี่สงฆ์ทำสังขยนาก็เลยรับเป็นเจ้าภาพบุตรธปรมปรากเลี้ยงดูหมดพระสงฆ์ห้าร้อยนั่นนะ่ะพระเจ้าอชาติศัตรูหนึ่งเป็นผู้อุปรธรรมก็มีชื่อติดมาในตํานานนั่นแหละ นี่ด้วยเหตุนี้แหละไม่ได้ไปไม่ปิดปิดประตูอเวจีมหานรกได้แต่เป็นตกนรกแค่โลหะคุมพีนี่ตกนรกเหมือนกันตกนรกหม้อทองแดงกระทะทองแดงโลหะคุมพีนิประชาชาติศัตรูนีเรื่องราวประวัติต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย เล่าไปอะไรเล่าเราเล่าไปตั้งแต่ว่ากิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเรากิเลสมันเป็นเหตุเศร้าหมองมันแสดงฤทธ์แสดงเดชออกมาอย่างหนึ่งความโกรธความโลภความอิจฉาทิษยาที่พยายามเล่าไปเล่าไปเล่าไปเล่าไปจนถึงภาษาทีบุตรพระโมคคัลลานะจนถึงอพระเทวทัตนะจนถึงพระเจ้าพิมพิสารจนถึง จะอาชาติศัตรูจนถึงการทำสังขยนาก็มีความเกี่ยวข้องกันนี่เราก็ฟังพอได้คติได้ตัวอย่างเราเพลิดเพลินเพลิดเพลินเพราะเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวการเพลิดเพลินต่างๆเหล่านั้นถ้าเรามีปัญญาเหมือนอย่างพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะท่านไปดูมหัสพแล้วเกิดปัญญาอย่างนั้นก็นเยี่ยม แต่โอกาสที่คนจะไปเที่ยวไปดูแลให้เกิดสติเกิดปัญญาเหมือนอย่างท่านอ่ะมีน้อยแทบไม่มีเลยในสมัยปัจจุบันแทบไม่มีเลยยิ่งดูก็ยิ่งติดยิ่งดูก็ยิ่งติดยิ่งเล่นก็ยิ่งติดยิ่งเที่ยวก็ยิ่งติดยิ่งสนุกยิ่งดูก็ยิ่งติดโอกาสที่จะเห็นโทษเห็นภัยมีน้อยเพราะฉะนั้นทำทำยังไง ถ้าเราขาดสังคมที่เป็นธรรมเราก็จะขาดความเป็นธรรมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉนะนั้นสังคมที่มีธรรมที่เป็นธรรมยังมีอยู่เราจะต้องไปมาหาสู่ครบสังคมที่มีธรรมที่เป็นธรรมครบสัตตบรุษสัตตบรุ ษ, รษคือบรุษผู้รักษาศีลผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมเป็นคราวาต์ก็ตามเป็นพระเจ้าประสงค์ก็ตามเราก็พยายามไปเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องได้ยินได้ฟังได้พูดได้คุยได้ศึกษาทํำได้ปฏิบัติธรรมเพื่อเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจให้เห็นโทษเห็นภัยในวัตฏะสงสารเีืจะได้มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาประพฤติปฏิบัติรักษาศีลปฏิบัติธรรมทําความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นพิจารณาปัญญาเพื่อทําลายความลุ่มหลงภายในจิตของตัวเอง ลุ่มหลงกายของตัวเองลุ่มหลงจิตของตัวเองลุ่มหลงทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดที่เราออกมาเห็นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอะไรต่ออะไรโดยเหตุที่เราได้ยินได้ฟังและก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติท่านั้นที่จะทําให้เราเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้แล้วก็เป็นการลงทุนลงรอนทําเหตุตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป อาละพอสมควรและวันนี้อ่าไปพอสมควรแล้ ว, วนนไ ป, พ ว, วไปพวกเราก็เลิกล้ะ